ลบควมหลงถึงมันเป็นเพงแบบกรอบเขียวห้าไปดูท้างสีบดีการปฏิวัติไม่เป็นขั้นตอนเหมือนกันแตทางธรรมะลบด้วยทางพุทธศาสนาลบด้วยธรรมะลบด้วยความอดทนนึ่งความต่อต้านสารพัฒ์อย่างซึ่งอารมณ์อันนี้เป็นทนทางแห่งของพระพุทธเจ้า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 ปวดต่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจเพราะปวราของนั้นพ้นจากการษาพ้นจากการพยายามบ่าพ้นจากการจองเวรกันเวรอันไลที่มันจะระนับไปได้ก็เพราะการไม่จองเวรกันไม่ผูกเวรกันไม่จองเวรกันเหมือนกันการุกโซ มันจองเวรกันสมั่นกันกับลูกโซ่กรรมกับเวรมันต่างกันแต่ว่ามันคล้ายกันกรรมทําแล้วก็แล้วไปไม่ต้องจองล่างจองฐานกันอีกอันนี้ดีกว่าเป็นกรรมก็ทําก็ทําแล้วก็เป็นกรรมเวรไม่ถึงการจองกันได้อีกเองมาทํางฉันฉันจะต้องทําเองต่อไป พี่เด็กขาดต้องแก้แค้นกันอย่างนี้เ ร, เรื่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวเวรนั้นไม่ระรับเพราะการจองหิตเมื่อใดยังเป็นไปอยู่อย่างนี้นมันก็เป็นห่วงโซ่มันต่อกันเป็นสายไม่จบไม่สิ้นพบไหนชาติอะไรก็ดีก็ต้องเป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้พรบรมศาสดาท่านสอนโลกท่านโตโลกท่านโตตัด แต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้พูดที่มีปัญญาเกิด ม, มาแล้วก็ส่องพิจารณาเอาอะไรมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็พิจรารณาอืนักรบราฆ่าซ้ำนักอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทำมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็เป็นอยู่เฉพาะโลกมีแต่เรื่องผูกกรมรมผูกเย็นกันต่อไป ดังนั้นนักบวชนักพทษมีขึ้นมาก็เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมา2ี21ีนี้พ่อแม่เราจิงเอามาบวชมาบวชให้ดูต้นทางจะเอาอยัางไงกันเราจะเอาอยัางไงกันเนี่ยนี่คือต้นทางที่ผมท่านทัางดายมาอยู่นี้ อ ม, มาอยู่ต้นทางใจมองเห็นว่าชีวิตพวกเราเกิดมาตลอดตัแต่เราเกิดมารู้เรียนสารในทำการงานพุกการตลอดถึงมาว่ายี่สิบอายุยี่สิบปียี่สปีนี้คงจะรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรไปพอสมควรเลยอันนั้นยังเห็นหน้าเดียวแต่นั่นมาประเพณนีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใส่พระศาสนานั่นจป็จับมาบวชคนอายุยี่สิบปีนี่กจะเต็มละเตมยี่สิบปีแลยมันเตมที่ละจะทางานอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างจะทําดีก็ได้ดีจะทําชั่วก็ได้ชั่วนี่คือพ่อแม่ของเรานะที่พรามาบวชตุลีบบวชใ้พ่อเราบวชใ้แม่เราพ่อเราแม่เรา เมื่อพ่อเรายัางอยู่แม่เรายัางอยู่เป็นต้นตกันก็ดีใจอืดีใจในบวชลูกคนหนึ่งในบวชหลานคนหนึ่งพ่อแม่ดีใจลายอืมเช่นมามาบวชอยู่ในพุทธศาสนานี่เช่นเราเคยอยู่ป่ากันนะป่ า, ากาทำสงครามกันหยุดเมื่อไรพ่อแม่ก็นอนไม่หลับแล้วเป็นห่วงลูกลูกไปรบที่ไหน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 มันเป็นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นยี่สุประธานตัวประทานที่จะ เ, เกิดพบชาติให้ติดต่อเนื่องกันเป็นสายตลอดเวลาดังนั้นพ่อแม่เราเอามาปล่อยที่สนทางแล้วเราก็พิจารณาวองว่าจะเอาไงดีไปไงดีมันปัดขเราเองมาพิจารณาแล้ว จะไปทางสายไหนก็ต้องมาตกลงเนี่ยออกจากนีไปที่มีบวชไปแล้วพ่อแม่ก็เดยกว่าดีใจละลอใจจะไปทำมาหากินที่ไหนพ่อแม่ก็สบายใจแล้วเพราะว่าส่งลูกส่ทางแล้วลูกเดินไปนทางไหนนั่นก็ให้ลูกที่พิ น, นาเอาแล้พ่อแม่ก็ไม่เป็นห่วงมากเพราะว่าเห็นแล้วตามใจแล้วที่ระเีณนเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางคนที่มาบวช ยังไม่รู้อะไรมาบวชกันบางคนก็เรียน ส, งสูงๆมาับบสารพัดอย่างเกิดเป็นมามาอบรมในการบวชมาการละความชั่วทั้งหลายแล้วมีทศชาเกิดขึ้น ก, ก็เลิกทำไปเลยไปเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็กลับไปแต่กลับไปแล้วไม่ต่อสู้กับใายเป็นต้นเลิกอะไร ที่มันเป็นตําเป็นเวรก่อเลิกอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทางเราที่จะต้องฝึเกเจตนาอืสยายฟ้าก็ทําไปอย่างนี้แหละอืมทําไปอย่างนี้เอาชนะตัวเองไม่เอาชนะคนอื่นเขาลบก็ลบเฉพาะเกจดิตคือควาโรคมันเกิดขึ้นมากบรบมันในความโกรธมันเกิดขึ้นมาสรบมัน ไอ้ความหลงมันโกรธไอ้ความหลงมันกเกิดขึ้นมาต้อพยายามละมันนี่นว่าการบลบการทําำองคารามด้านจิตใจกับจิเดชเนี่ยมันยากแสนยากแสนลําบากที่สุดอืมมันเป็นของยากมันเป็นของลําบากที่สุดไม่ใช่ว่าเราไม่ลดบวชมาเราก็มาปีนาเรียนการลบ ลบลาคะลบโทจะรบมโมหะเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยไปอยู่ทางนอกเราจะลบอย่างหนึ่งอยู่ภายในวัดว่าอารามพุทธศาสนาจะรบไปอย่างหนึ่งอันนึ่งลบภายนอกอันนึงลบภายในมันเป็นอย่างนี้นนเพราะเมื่อมาถึงที่เราทั้งหลายนั้น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 บางวงก็ตัดสินใจเลย ว, ว่าทางนี้ถูกแล้วทางนี้สบายแล้วทางนี้ไม่มีเวียนมีไยแล้วเป็นทางที่สบงบแล้วครับนี่เรียวกว่าการลบภายในหรือลบกับกิริทังหายนี่แต่ว่าน้อยคนน้อยคนที่จะบจรบกิริจะรบด้อย่างอื่นมากมายกิริส่วนนี้ไม่ค่อยจะรบกันแล้ไม่ค่อยจะเห็นกัน อื ม, อมบัดนี้การปล่อยให้เราเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้จะสร้างคุณงามความดีต่อไปก็ได้ถึงที่แล้วนี่เรียวว่าพ่อแม่ของเราเนะ่ะมีอำนาจที่จับเรามาปล่อยใ่ต้นต่อนี้ต้นทางนี้แล้วเหมือนกันกบปฏิปุจจเจ้าท่านสอนว่าให้ละความชั่วทุกอย่างมาประพฤติความดีทุกประการ เป็นทางที่ถูกต้องแล้วท่านบอกอย่างนี้ก็เดียวท่นานว่าจัดตัวตัวพวกเราทางไหนมาปล่อยไปต้นทางมาถึงทางแล้วเราจะเดินไปหรือไม่เดินไปนั้นเป็นเรื่องของเราเรื่องของพระพุทธเจ้าประมดแค่นั้นที่ทางให้อันนี้ทางนี้มันผิดทางนี้มันถูกเท่า น, นั้นอพอๆแล้วกาปรปฏิบัติกันเป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่เราก็เหมือนกันอย่างนั้น จะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะดาเนินการประพฤติปฏิบัติอย่างใดก็ตามต้าจะรมผานอะไรสักนิดหนึ่งเป็นต้นพอให้เราเข้าใจในกลุ่มชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติกันนี้มีความพร้อมเพียงกันประพฤติปฏิบัติเมื่ออย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัย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 ต่อทุกชิ้ทุกอย่างเราคล้ายว่าเ ป, เป็นนักศึกษาอย่างเราเคยศึกษาทางโลกมามันมายากลาบากพอสมควรที่จะมีความลู่วิชามาปฏิบัติการงานเป็นต้นในที่ต้องผงใจเราเอั้งในใจเราเห็นผิดในใจเราไม่ชอบมันขี้เกลียดทั้งหลายเหล่านี้ม่าต้องผงใจอย่างนั้นความรู้นั่นจึงเกิดมีในใจของเราปฏิบัติการงาน การปฏิบัติงานทางพะนี่กูมันกันแขนงนะเป็นต้นถ้าหากว่าเราตั้งหตังใจประพฤติปฏิบัติพินิจพิจารณาตลอดสามเดือนขึ้นไปมากนี้คงงองเห็นทางพอสงควรถ้าเราตั้งใจแต่ว่าระบบอันใดที่เราสั้งในวัดน้องโมโคงี้ให้พวกท่านต่างหลายกันตั้งใจทํา ครูว่าอาจารย์ท่านพอทำอย่างไ ร, รพอพฤติอย่างไรต้องพยายามทำระยะสามเดือนนี้อพวกท่านทั้งหลายจะมีความรู้พวกท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างน้อยก็รู้เรื่องของพุณศาสตรศาสนาพอสมควรการบวชในสมัยนี้อันนี้เลยมาบวชล้นต้นประโกคนะเลยทำอย่างนี้ถ้าบวชที่อื่นไม่ได้ทําอย่างนี้เนาะให้รู้เร่ ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่รู้จักว่าจะกราบยังไยยงไหวยังไงนั่งสมาธิยัง ไ, ไม่รู้รมีแต่ความรูดรายตร่นั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ยมันถึงน้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันมันจะไม่มีแล้วฉะนั้นเหลือไั้ต้องปกครองเราในภาคนี้สายนี้ก็ประกันตั้งหัตั้งใจทํากับครูบาอาจารย์คิดถิมานะนี่เป็นของที่สําคัญมาก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 ให้เราเยนวายตายเกิดไม่มีทางจบเพราะการยึดมั่นถือมั่นนี่ดังนนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าทิศทิะทิศ ท, ท, ทิคือความเห็นน่ะมันเห็นทุกสิ่งสารพัดแต่ว่ามันเห็นไม่ค่อยจะถูกทางเห็นว่า่อยจะตรงกันอย่างคนกลุ่มชนมาอยู่ด้วยกันมากๆอย่างเนี้ยบางแห่งก็ปฏิบัติง่ายๆ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 คุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้แต่ตั้งอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายแล้วคือคุณสมบัติของพระสงค์นี่ถ้าเราทำตามเช่นนี้มันจะมีต่างร้อยมันจะมีต่างพันมันจะมีเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะมันลงันเดียวกันสายเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะมาจากคิดต่างๆมันกลมเงินกันนันนี้ไม่ใช่อื่นใครไอ้ความเห็นมันจะเป็นคนาที่แต่ทางก็ตามมันเถอะมันยังเห็นผิดอยู่ ถ้ามันมีความถูกต้องแหละมันก็เหมือนกันกระคากรได้บ่ายห้อยน้องกองบึงต่างๆเป็นต้นที่มันไหลลงสู่ทะเลเมื่อไปตกถึงทะเลแล้วมันก็เป็นสีแดงกระรดเข้มไปรวมกันทิศตรงนั้นมนุษย์เราทั้งหลายก็ตามเมื่อสู่กระแสของธรรมะแล้วมันก็จะดงสู่ธรรมะเดียวกัน จะอยู่คุณอาทิตต์ทางก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันลงมางมาเร็วเดียวกันอย่างนั้นหรือผลที่สุดขมนุษย์มันมีความเปิดแด้ผลที่สุดมันก็ไหลไปสู่ความตายเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างนี้อืมแต่ว่าความคิดที่มันแกลงแย่งซึ่งกันในการนั่นเป็นทิดิดังนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละเรื่องความเห็นนั่นก็ปล่อยไว้เรื่องมานะอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันจนเกินความเป็นจริง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 ทำไปถูกต้องไปมีความฉลาดไปเองดีเองเป็นเองง่ายนี่มันง่ายนี่คือที่ผู้มีปัญญามันง่ายนี่มันไม่ค่อยลำบากอ่ะนี่ทีนี้การพวกท่านทางไหลายจะได้ฟังธรรมนั้นอย่าหนึ่งว่าจะอบรมกันทุกวันทุกคืนไว้ใ่อย่างนั้นนะไอ้ความเป็นจริงนันเพื่อให้ข้อคิดให้ความเห็นหนึ่งหูเราฟัง ท่านพูดกับใครกับพระหรือเนรกับญาติโยมอันนี้เราก็เลยฟังทำเลยโหเราได้ฟังตาเราเห็นท่านทำยังไงเดินไปเดินมาอะไรต่างๆแ า, างนี้ตาเราก็เห็นเราก็รู้เรารู้เอาเห็นนอาอันนี้เป็นธรรมะการเทศของพระพุทธ เ, ทเจ้าของเรานั้นไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวนะอืมไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียว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 ท่านจะพูดก็ตามท่านจะทำอตัตจิตญาอะไรก็ตามท่านจะดูเอาเถอะนี่คนที่มีปัญญานี่จริงเข้าใจสอนง่ายฟังง่ายถึงแม้จะเทศอบรมญาติโยมคนอื่นอยู่เป็นต้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังล้าก็นั่งฟังนั่นแหละคือเราได้ฟังธรรมะอย่างพระภาษาลิบุตรนะภาษาลิบุตรนั่นท่าน เดินลงมาจากภูเขาดอยคิสกูดกับพระพุทธเจ้าลงมาแล้วมาพบพรามทีคณนคาพรามเรียกว่าพรามเล็บยาวไอ้พรามคนนั้นคงจะอยู่ในป่าในดงคงจะมีทิฏฐิมานะมากก็รีมาพบกับพระพุทธเจ้าพรามคนนั้นไม่เชื่อใครแต่นั้น เชื่อใจของเจ้าของเชื่อความเห็นเจ้าของว่ามันถูกแล้วเลยเป็นเหตุแม่ไปสนใจฟังธรรมกับใครไปขอความเห็นกับใครถึงนั้นเพราะความเห็นของเขาเขาเห็นว่า อ, อันใดที่เขาชอบใจเขาจึงเอาอัอนนั้นอันใดที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดควรแก่เขาเขาจึงจะเอา อันใดในควรแก่เขาเขาก็ไม่เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดชอบใจเขาจะเอาอันนั้นในความเห็นก็าเป็นอย่างนี้ยไม่มีใครมาโถกเถียงเนี่ยนี่พอดีภาษาดีบุตรพระพุทธเจ้าเราตัดภาษารีบุตรตรงมาจากโอยเกตติโกแต่ก็มานั่งอยู่ท้ามเนี่ยอืม้ามที่นี่ว่าตะลิบยาวเนี่ยมีทิฏฐิมากเฟ้ท้ามทิฏฐิตั้งสามนี่อืม อย่างที่เล่ามานั้นอันนี้ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ถึงจะเอาอันนีไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่เอาอือันนี้เขาชอบเขาก็เอาอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ไอความเห็นอย่างนี้แต่นเนี่ยมันถูกต้องนีู่แล้วก็ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าถูกไหมพระพุทธเจ้าไอความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันไอความเห็นว่าอันในพรามชอบธรรมก็เอา อ, อันนั้น อันไหนไม่ชอบพรามก็ไม่เอาอันไหนควรแก่พรามพรามก็เอาอันไหนไม่ควรแก่พรามพรามไม่เอาอย่างนี้นี่คือความเห็นของพรามนั้นอืมมันเป็นอย่างนี้อืมหลงไปหลงคิดไปอืมอืมพระพุทธเจ้ถ า, าถามา ง, าง่ายเลยเรียกปากง่ายปะไอ้ความแก่เน่ยก็ไ้ความแก่เด็ดพรามชอบไหมไม่ชอบ ไม่ชอบความที่ได้ไห ม, มหยุดพูดตอบไม่ได้เลยไอ้ความตายนะี่ยความชอบไหมไม่ชอบความจะตายไหมละ่ะเออไม่มีธีผพูดตายบระยะกาศถ้าความได้คสิ่งที่ไม่ชอบใจความเนะ่ยความจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์บรรยากามันไล่กันลอกเข้าในโกนเลยตรงนั้นเลยทิฏฐิของความนั้น หายไปอืมเคยไม่เคยยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็คิดว่าความเห็นเราถูกแล้วความเห็นเราถูกทุกอย่างเพราะว่าอั น, น, อนในควรแก่เราเราก็เอาอะไรไม่ควรเราก็ไม่เอาอะไรเราชอบเราก็เอาอะไรไม่ชอบเราก็ไม่เอาอันนี้ไม่มีทางแก้ไขเนื่องกว่ามันถูกต้องอยู่เนี่ยเนี่ยเมื่อรเรียนพระพุธทธญาณหนึ่งไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกเหมือนกันท่านก็เลยไล่ไป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 อืท่านในการรู้ธรรมะเป็นพระอริยะบุคคลในที่นั่นเลยนี่เป็นต้นเพราะว่าท่านได้เข้าใจในธรรมะในหลักธรรมะที่ภาษาริบุติที่พระพุทธเจ้าตามเน่ยตอบโต้ปัญหากันท่านนั้นเนอืมเป็นเหตุให้ท่านละสิติละมาน ะ, ะขี้กายออกจนสําเร็จปรารหันในที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้น นี่ท่านเนี่ยมันมีสติอยู่ทุกเวลานักประบวชนักปฏิบัติของเรานี่เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านสอนเราให้มีสติอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็จังเจอให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเราเห็นตัวของเราเห็นใจของเราแล้วก็เห็นกายในกายของเราเห็นใจในใจของเราทุกอย่าง ถ้าเราม่มีสติอยู่เป็นต้นเราก็ไม่ดูเรื่องอืมอะไรจะมาตกเป็น <c oughs> หน้าบ้านตกจในกติแล้วก็ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสตินี่การมีสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาคนคนนั้นจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเพราะว่าตาไปมองมองไปเห็นรูปมันก็เป็นธรรมะ หูฟังเสียงมันก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นมันก็เป็นธรรมะลิ่นมันริ่มรถมันก็เป็นธรรมะเนี่กายไปถูกก็วะปวะเฉพะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะธรรมารม์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อไรเป็นธรรมะเมื่อนั้นเอีฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานั้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรามีส ต, ติมีความรู้ แต่สติคือความระลึกได้เนี่ยฉันปัจัญญาความรู้อยู่ตัวรู้นั่นก็คือตัวพุทธโธเนี่ยตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นเมื่อมีสติมีสปัจจัญญารู้อยู่ปัญญาก็วิ่งมาเท่านั้นเนี่ยรู้เรื่องต่างๆตาเห็นรูปสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมหูฟังเสียงสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมมันเป็นโทษไหมมันผิดไหมมันถูกต้องสารพัดอย่าง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 แม้ไปเห็นสัตว์ต่างๆที่มันวิ่งไปนี่มันก็มีปัญญามันก็เหมือนกันกับเราแหละสัตว์นั้นน่ะไม่เหมือนมันไม่แปลกกับเราครับมันนี้จากความทุกข์ไปสู่สุขเหมือนกันอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไม่ไม่ไม่เอาเหมือนกันนี่มันกลัวเหมือนกันนี่มันกลัวชีวิตของมันเหมือนกันทุกอย่างถ้าเราคิดคิดไปเช่นนี้แล้วปรีวาชัตทั้งหลายในโลกนี่กับมนุษย์ไม่แปลกกันตามชรรมชาติต่างๆ มันก็เหมือนกันเมื่อเราคิดเป็นชนนี้ก็เดีย่ยเป็นการภาวานารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีสารพัดอย่างเป็นต้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อ น, อนตายเดียกันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใครทั้งนั้นนเสมือนเร า, ารเสัตว์ทุกประเภทมันเสมือนมนุษย์มนุษย์ทุกประเภทมันก็เหมือนดัชคว า, ม เ, ม, ามเป็นอยู่มันประจางกันอย่างนั้น ที่นี่เมื่อเรารู้ไปเมื่อเราเห็นไปเป็นไปเรื่อยไปเห็นสภาวะตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตจ้องถอนจากสิ่งทั้งหลายตอานั้นออกมาดูแล้วก็พิจารณาทีนี่ที่เรามาบวชทำกรรมฐานเนี่ยให้เราพิจารณาสังวนทั้งรวงมอไอ้เรื่อง ง, ง่ายๆพูดง่ายๆท่านเราไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ ทำเราราไรเป็นไปกความทุกขีหมู่คณะเป็นคนเรี่ยงยากสารพัดอย่างทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าของเราทุกขีหมู่คณะอย่างนี้เป็นต้นคือใจของเราเป็นธรรมะทําทั้งหลายใจของเราทั้งหลายมันคิดไปอย่างนั้นมันทาไปอย่างนั้นมันคิดไปเพื่อนอกจากความจริง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 เป็นไปเพื่อความไม่รุกลีหมู่นนะเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรจิตใจของเราจะมันเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นได้ถูกแล้วอันนี้เป็นพระธรรมอันนี้เป็นวินัยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็ไม่ต้องไปเรียนมันอะไรมันมากมันเกิดขึ้นในใจของเรารู้จกักมันาปิญญาใหญ่ไปสูงก็รู้จกักนักน้อยสันโดษก็รู้จกัก ทุกทูมูคณะค ร, รูจักนเป็นคนเลี่ยงญาติกค ร, รูจักส า, ารภาพอย่างก็เกิดขึ้นกับจิตใจของเราท่านนี้เนี่ยท่านจึงพูดง่ายง่ายทำอไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์คือใจเราเดียวมันจะประกอบทุกไว้เนี่ยอือันนั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่บินายเราไม่ต้องไปพุทธไปตามปฏิบัติไปตามจิตเช่นนั้ น, เ, นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันเป็นกิเลสทั้งหลายนี่ อันนี้ก็ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอทาาําอะไรเป็นไปเพื่อความขี้เกียจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคาสั่งสอนของพระศาสดาแล้วมันดูในจิตของเราทำอะไรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงอนญญจ์อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาาํำอะไรเป็นไปเพื่อความวคุกขี่หมู่กันนะอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว อันนี้มันสกิขึ้นจากจิตใจเราเท่านั้นน่ะมิฉะนั้นสั่นจึงให้มีสติถ้ามีสติเรามันจะเห็นกำลังใจของเจ้าของจิตเจ้าของไอความรู้สึกนึกคิดเจ้าของเป็นยังไงมันก็ต้องรู้ไอตัวรู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้ามันรู้รู้มันถึงที่มันแล้วเป็นต้นมันก็รู้แจ้งแทงตลอดมันรู้เมื่อมันรอบรู้อยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นมันก็ได้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีเท่านั้นน่ะ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 สตินี่จึงมีคุณค่ามากมายสําหรับให้คนมีสติแล้วก็รู้จักอืมว่าตัวเรามันอยู่ในลักษณะอันไรจิตใจเราอยู่ในลักษณะอันไรความเป็นอยู่ของเราอยู่ในลักษณะอันไรเป็นต้นนี่ผู้มีปัญญามีความเฉียวฉดัดแล้วนะจะได้ฟังธรรมอยู่ทุกเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไว้ไปฟังธรรมอยู่รู้สึกอยู่เสมอ เขาบอกทำมันอยู่ทั่วทั่วไปฉะนั้นพวกเรานะี่ยนะให้เวลาพอสมควรเมื่อเราบินธบาตมาฉันเจหันแล้วนี่ก็ปล่อยให้ไปเกี่ยวกักติของเราพักผ่อนพอสมควรแนละ้วก็เดินจงกรมพยายามเดินนะเดินจงกรมนี่พยายามเดินในในทุกวันชิ้นไปมาดีรื่วงปวดใหม่นะนั่งก็ให้ได้ทุกวัน ไม่มากก็ต้องน้อยแต่ต้องนั่งจะ่ต้องเดินจงกรมเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ปฏิบัติเถอะเดินไปจะก้าวหลบศีบหลบฝ่าเดินในสุติของเรากระไดเดินในลานวัดเราเนี่ยกระไดกําหนดดีๆแล้วกว่าเดินยกขาควอนึกอกคุธโธคุธโธให้มีสติเท่านั้นเนี่ไปถึงโ น, น, น่นเลยกลับมาหยุดแล้วก็กลับมานึกคุโธถ้าไปกลับม า, ฐฐ า, า, มาอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละ อันนี้เอขี้กเกียจก็ทําขยันกว่าทำเราปฏิบัติธรรมะเราไม่ปฏิบัติตามตัวเรานอกจากทำอย่างนั้นอืที่นั่งในกลางวันแต่ละก็กอนพอสมควรมีเวลาเราก็นั่งสามทีเนี่ยห้านาทีก็เอามันสิบนาทีก็เอามันสามสิบนาทีก็เอามันให้ได้ทําสงบก็ทํามันไม่สงบเราก็ต้องทํามัน เ, เหมือนกันเราเป็นเด็กนะเรียนหนังสือเห็นไหม ครเนะัเขียนหนังสือเนี่ยเขียนน่สวยไหมครั้งแรกไหมมันหัวยาวๆขายาวๆก็ขขเขียนไปตามเรื่องเด็กๆแค่นั้นแหละนานๆไปมันก็สวยขึ้นงามขึ้นนี่เพรเราฝึกมาเ น, นี่มันก็เข้าใจอย่างนั้นการประพฤติ ธ, ธรรมากุมือนกันอย่างนั้นที่แรกนี่คือเกะกะไปสงบบ้างไปสงบบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมันเป็นไปอือ่าบางคนก็ขี้เกียจทํายาที่ต้องพยายามทำมีความประชงอย่างไรตนก็ต้องทําอย่างนั้น อยู่ในความพยายามเหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยโตมาเราเขียนหนังสือได้ดีไหมเน่ะสวยไหมทําไงกันได้ไหมเพราะการฝึเกเต็เป็นเด็กกั น, นี่ยเป็นต้นต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราเราทุกๆุกคนเป็นต้นก็พยายามประมาณสามเดือนนี่ให้ได้นั่งทุกวันให้ได้เดินทุกวันพยายามให้มนมีสติอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงแม้จะกบจะฉันอย่างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะฉันปุบ เราจะมองเห็นอาหารให้ผ่านหม่ไวบางคนฉันไม่ได้นะปะปนกันไปหมดนะนนแล้วนึกว่าเอออืเราจะไม่เอาความสุขในการฉันจังหันเราจะฉันไปเพื่อเป็น ญ, ญาป aramat ต่ตอทรงอยู่ได้พอเราพิจารณาปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราจะนอนพอเรานอนครบลงไปก็เราจะนึกได้ว่า เราจะไม่เอาความสุขในการ น, นอนตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรทันทีอย่างนี้เรื่อยๆไปี่ปย า, ยามจะคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้นี่ออกจากกติมาจะต้องกราบพระเจ้ก่อนสามครั้งหยิบอะไรมาเมื่อไรก็ตามตอนเช้าก็ตามตอนสายก็ตามตอนบ่ายตอนค่าก็ตามเถอะเราจะลงจากกติจะต้องกราบพระเจ้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องดีนะนี่ เนี่ยใช่เรื่องเด่นๆนะที่นี่เมื่อเรามาทํางานกิจการเสร็จแล้วเราจะเข้าไปกติของเรานะขึ้นบนปฏิแล้วก็กราบพระซะกก่อนถึงนั่งถึงนอนไหนก็มาขึ้นไปก็ต้องกราบลงมาก็ต้องกราบให้เป็นนิสัยเลยอันนี้เพื่อเราหล่อเลี้ยงสติเราให้มันแน่นแฟ่นขึ้นมาให้มันแน่นแฟ่นขึ้นมาในสติของเราเป็นเหตุเป็นเหตุทเรามีสติมากอื ขึ้นไปก็กราบลงมาก็กลาบถึงแม้อย่างย่อยไปปัสสาวะเราก็กราบไปซ่วมเราก็กราบถึงไปมาถึงเราขึ้นไปเราก็กราบอันนี้เรียกว่าฝึกกันตรงๆเลยอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดอืมีสติมากมีปัญญามากรู้ตัวมากง่ายอันนี้มันพร้อมไปในตัวนะถ้าเราขึ้นไปก็ขึ้นไปเฉย ลงมากระลงมาเฉยๆไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรเป็นรากฐานไม่มีความยึดมั่นหรือถือมั่นต่อประการใด น, นี้มันก็คล้ายๆกราไม่มีฝั่งนั่นแหละ ไ, ไม่มีฝามีฝั่งไม่มีหลักอันนี้เฉพาะตัวของเราพิจณาอย่างนี้กิจมัดทยังพวงนั้นเป็นต้นก็ไม่เป็นของยากที่ทัานวางอะไรเลยพยายามให้มันสม่ำเสมอให้มันเท่าทัน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 การพูดมากการคุยกันมากการเอาเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาคุยกันนี้ก็ไม่ใช่ของดีนะอย่าในพูดกันแค่คำสองคำรู้เรื่องกันก็อยุดัะหาทำความเพียรของเรานั่นเพราะเวลาเรามันน้อยนี่กับประมาณประมาณสักสามเดือนเท่านั้นเวลาเรามันน้อยแต่พยายามควบคุมเจ้าของจริงจะมีอานิสงส์เมื่อออกภรรษาแล้วเมื่อถึงเวลาเี๋สามเดือนอานิสงส์มันจะมี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 ไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำนี่ให้พยายามทำตามเออตามความสามารถของเราอืมมันดีนี่เียว่าเราฝึกอันนี้อบรมอย่างนี้เรื่อยๆไปการทาำสมาธินี่ก็ทําด้วยตนเตองต่อไปเมื่อถึงขามาถึ ง, รถงพระสูที่รวมกันเป็นกลุ่มนั่งสมาธิเราก็นั่งเราฝับไปกตีเร า, เรามีโอกาสเราก็ต้องนั่งต้องทําเองอันนี้ท่านฝุกเรนานี่ ไม่ใช่ฝึกเดาทิ้งไปตป่อไาฝึกให้เราจำไม่เราจดแห้เราเป็นข้อต่อพุทปฏิบัติหลายองค์ก็ต้องทําอยู่อย่างนี้องค์เดียวก็ต้องพยายามทําอย่างนั้นอยู่สมมติทีเดียวนะเนี่ะเยกว่าการปฏิบัตินั่นจะเห็นอะไรไม่เห็นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องมันจะสงบเพราะทำไม่สงบเพราะทำเรียกว่าเราฝึกใหม่เข้าพรรษามานี้ก็เด้ไหวได้ประมาณในสิบห้าวันเท่นัไม่ค่อยจะมีอะไรแต่นั้นจงว่าการตั้งอกตั้งใจทุกทุกคน ทุกวันนี้โอ้โหนิดเดียวแต่นี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยนิดเดียวไปโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่าแล้วที่มันสมควรที่พอไปก็ไปมันที่ไม่สงควรพรอไปก็อย่าไปมันเลยมันยุ่งยากลำบากงานโรคที่มันไม่ตายมียคค่คนอดทนมีควรอดกัน ไอ้ความอดทนเป็นแม่บทของการกระทังเพียนตั้งไปไหนแต่ไรามาแล้วเนี่ยมันมีมาเงี้ยอดทนทุกอย่างอพยายามแต่ว่าจิตไม่ค่อยมากอะอยู่วัดประพง์เนี่ยแต่ว่ามันติดต่อกันเนะ่ยติดต่อกันเรื่อยเรื่อยไม่ค่อยไขาดอย่างนี้ แต่ว่าเมื่อจิตไม่ฉลาดจะให้ใครอบรมท่านบอกว่าให้ตามรักษาจิตของตนใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะค้นจากรวงของมาร น, นี่จะเอาใครตามรักษาจิตมันประสูติจิตเท่านั้นนี่อันนี้ก็ให้ท่านไปนั่งภาวนาดูเถอะเออถ้าหากว่าจิต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 ควรที่เราจะพิพิจารณาให้มันรู้รวยตนเองมันถึงจะดูจากว่าใครเป็นผู้ตามหลักตาจิตนี่นี่มันมีข้อแม่ อ, อยู่อย่างนี้เองฉะนั้นการปฏิบัตินี่ก็ให้เดยก ว, ว่าฟังไปครับฟังไปอย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งไม่เชื่อวางตัวเป็นกลา ง, ลางฟังไวล้ละครับนั่นอะมีผลไม่เป็นภัย เชื่อมากกว่าเป็นภัยไม่เชื่อมันกว่าเป็นภัยฟังไปเถอดูเราเป็นคนฟังเราเป็นคนฟังและก็คนปิจารณานี่เรียกว่าการปฏิบัติถ้าเราไปถ้าเราไปชมแล้วก็ชมโดยความคิดของเราว่าอันนั้นมันดีถ้าเราไปติเราก็ติโดยความรู้สึกของเราว่าอันนั้นไม่ไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นไต้สิ่งที่มันชอบหรือไม่ชอบนั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้จัก มิฉนั้นพระพุทธเจ้าต้องหัย่องยืนดูเสียก่อนดูเสียก่อนถ้าไม่ดูมันจะเข้าข้างตัวถึงนั้นเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเราเป็นตัวปฏิบัติคนก็ไม่ไปมันเป็นวิชาสติไปแล้วนี่เดียวที่คนที่มีปัญญาก็ต้องทำอย่างนี้ดูไปะถอะดูไปดูไปเรื่อยไปดูไปเรื่อยไปการดูไปอย่างนี้ทนดูไปอย่างนี้อะไรที่ควรชมก็ดูไป อะไรที่ควรติเดี๋ยวดูของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปวางอเราเราไม่ต้องปฏิบัติหาสิ่งที่ว่าออ่าที่เราติหรือเราชมอันนั้นเราเร า, เราไม่ต้องปฏิบัติอันนั้นไม่ปฏิบัติเอาอย่างนะนะนะเราจะทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นเดียวมาปฏิบัตินี่ทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนะ แต่เราให้รู้ว่าสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนใครนี่เป็นต้นให้เราทิ้งสิ่งทั้งสองนั้นทิ้งเพราะความรู้ของเราทิ้งด้วยปัญญาไม่ได้ทิ้งในความโง่ของเรานี่เราจึงจะมีความฉล า, าดเกิดขึ้นมา น, ะนี่ที่ไหนก็ตามทีเถอะผมก็พยายามที่เอาไปหลายแห่งเท่าที่ผมได้ไปมาแล้วการประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ก็นึกว่ามันมันลาบากครับ ลอยมากนักปฏิบัตินั่นจะไปอยู่สักสิบห้าวันหรือสักเดือนหนึ่งเท่านั้นไปรู้วิธีดีตองแล้วก็ออกไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเท่านั้นนะครับอันนี้มันไม่ได้ซีกเดียวเลยครับไม่ไม่มันจะขาดจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าต่ันกูชับตาวกว่าเป็นต้ น, นเรารู้ก่อนเราจึงสอนคนอื่ น, น รู้แล้วเป็นประโยชน์ของเราแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นนี่โดยมากพวกเราทั้งหลายโดยมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากก็คือมุ่งอิกราบมากมุ่งชื่อเสียงมากมุ่งอะไรอไรหลายอย่างครับมันเป็นโลกาธิปไตยไปเนี้ยคือทา ม, มันเป็นส่วนโลกหรือเป็นอัตาธิปไตยไปเนี้ยมันเป็นส่วนตนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตย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 ท่านสม่ำเสมอเรื่อยหนักแน่นไปเรื่อยไปเป็นต้นนอกกันมาแล้วก็หายากเหมือนกันครับมันมุ่งโลกาจิปะตะย์นะมุ่งอัตตาจิปไตย์เชียร์ยเป็นต้นมันไม่เป็นไปเรื่องต้นดีปลายพังเลยครับเสิร์ประโยชน์อันนี้จะรู้ที่ไหนมันรู้ในใจของเราสิครับไม่ต้องไปถามใครคนอื่นเพรากว่าเราปฏิบัติถึงแค่นี้มันเป็นอย่างไร มันหมดสงสัยเนี่ยดูอย่างมีอะไรเหลืออยู่ไหมเราจะอาศัยตัวอะไรไหมเป็นสีขีพูโตไหมเราจะเอาตัวของเราเป็นพยานของเราได้ไหมอย่างนี้ถ้าผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติแล้วตรงไปแล้วนะท่านไม่กล้าหรอกท่านไม่กล้าไม่กล้าจะเทศในคนอื่นฟังมากครับอาจารย์เสา อ, อาจารย์มั่นในสมัยก่อนนั้นลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติ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 ไปตั้งศูนย์นั้นก็ไปตั้งศูนย์นี่ไป เ, เรื่อยๆไปนะทิ้งไป เ, เรื่อยๆไปไอ้ความจริงผลที่สุดแล้วก็ไ ม, ม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเสียหายเพราะอะไรเพราะตัวเรายังไม่เป็นเรายังไม่เป็นศีลก็ไปสอนศีลให้คนครับมันก่อผิดๆถูกๆนั่นแหละก็สอนตามตํารานะเราไม่เป็นสมาธิเราจะสอนสมาธิให้คนแต่สมาธิตามตําราอันเอง เราจะไม่มีปัญญาเอาตัวยังแม่รอดเราจะส อ, อนคนอื่นก็ก็เป็นปัญญาตำราเองครับนี่ไม่ใช่ปัญป ญ, ญาตาความจริงไม่เกิดขึ้นเฉพาะนี้ดังนั้นการวิชาร์ภาษาศาสนาของเรานี่มันมีมากตัววันมันมีมากบางคนก็เอาไปอย่างหนึ่งบางสำนักเอไปอย่างพวกเราจะปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงกันครับก็เลยไม่รู้จักนะ ไอความเป็นจริงนั้นเราทิ้งพระพุทธเจ้าของเราเช่ครับรากฐานที่จะต้องปฏิบัตินั้นคือเดินทางคือมัจมัจนั่นคืออะไรครับคือศีลนี่คือสมาธิคือปัญญานี่ครับเราจะมีอบายอย่างไรนอกเหนือนี่ไปก่อช่งางก็อันนี้มันเป็นรากฐานทิ้งไม่ได้ครับอันนี้มันทางตรงแล้ว บางทีก็เป็นครูบาอาจารย์เขามีคู่คนประชาชนคารวกราบไหว้อีกราบเพื่อเกิดขึ้นมาหลงจะของลืมเนี่ลืมครับมันหลงมันลืมไปเ น, นี่ยลืมคนจะลืมตนซะอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะทำยังไงก็ทำสารพัดอย่างมันเกิดทิฏฐิมานะขึ้น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 เราจะทํำยังไงนี่ดูดิครับที่นี่เรามาดูปัจจุบันนี่สิครับเรื่องพาวินยัยอ่ะพาวินยัยเรื่องศีลนี่ครับมันมีที่ไหนครับผมว่ามีแต่พาวินัยมีคําพูดมีศีลแต่พูดเฉยเฉยคนจะมีศีลจริงๆมีพาวินยัยรู้พาวินยัยจริงๆร่งแต่ผมว่ามันจะมันไม่ค่อยมีากในเวลานี้ก็พูดไปอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งเนีไงยังไง ทางไปวันก่อไปโน่นเชือกไปตังตะวันตกไปวันกลางอยากให้มันถูกวันก่อมันก็ไมถูกเลยไม่ถูกมันไปไม่ถูกทางานี่เพราะอะไรครับพอเราทิ้งดักเดิมมันเสีหลักของพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะ่ะพระบินัยทุกแงามาอยู่กับผมนี่ก็ไม่รู้มากเราพะวินัยครับจะให้ศึกษาเท่าที่ควรจะรู้เอามาปฏิบัติกันครับ ตลอดพระตลอดเน้นแล้วนั่นแหละเรื่องพระวีไนเรื่องศีลเนี่ยเพราะมามันหายนหมดนั่นเยเนี่ยนะมันหายกันแต่บทแรกครับไม่มีคไม่มีจึงั้นบุญก็มีแต่ชื่อมันจะใช่ไพระวินัยก็มีแต่ชื่อมันครับศีลก็มีแต่ชื่อมันครัตัวศีลจริงๆมันไม่มีครับออดังนั้นมันจึงความสามัคคีกันไม่ตกหลง ต้องงกันนม่ไกลุ่มศาสนาแล้วเนี่ยไอคนนั้นทําผิดไม่ก ล, ากล้าตัดสินนี่ครับไม่กล้าทํานี่เพราะกลัวถ้าเราพูดมาฮาเราจะเป็นไงก็เพราะเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เลยไม่กล้าเลยครับก็เลยทิ้งนั้นไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครก ล, ากล้าตัดสินไม่มีใครกลว่าอะไรครับคนอื่นก็อย่างนั้นตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปพูดคนอื่นมันก็จะแดงเป็นดีครับ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 ต้องกบฏออกมากนะี่อาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยครับอาศัยข้อปฏิบัตินะี่ตายพอมันตายกับข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาไอ้ที่เราว่าหลงๆเราไม่หลงหรอกครับเราเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยเรื่องพรวินัยเนี่ยทุกๆคนเปยนครูเป็นเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะอืมีกที่คนไม่รู้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่กลัวหรอกครับไม่รู้ท่านบอกไม่รู้ก็ได้ท่านกลัวแต่คนรู้แล้วไม่ทํา คือเป็นคนประมาทนี่ไอ้พวกเรามันเป็นการเซอร์อย่างนี้มากฉะนั้นผมจึงตีตัวออกจากพวกทั้งหลายตีตัวไปเพื่อมุ่งทำมุ่งมีนายมุ่งหาคําสอนพระพุทธเจ้ามุ่งหาโมฆะธรรมต่างๆตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านทามาอย่างไรผมพยายามทําอย่างนั้นมาเออนะเป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะเล่าอะไรต่างๆให้ฟัง สมัยก่อนผมอยู่บา้านบ้านเป็นครูโรงเรียนคือเหมือนกันครับนะเป็นครูโรงเรียนสอนโรงเรียนทุกอย่างสอนพวบีนัยก็้อนไปครับแต่ว่าอย่าไปตัดอย่าไปทําลายของเขียวอย่าไปทําลายพืชผมจะต้องปลูกผักกินเองครับอืมปลูกผักกินเองครับนึกออกภาษาผมก็ทําแปลงผักและกะพาท่านเนนปลูกกินเอง ที่ว่าของเขียวนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับนะเออมันก็ฉั้นส้มประกาศกันสบายไม่รู้วันมาจากไหนเนี่ยตอนเย็นๆมาก็ไปหาผักชีเ็กมาฮะของเขียวเนี่ไม่เห็นเนี่ยแต่ตอนกลางวันมาสอนพระเนนตัะพืชจะขามพืชจะขามเป็นอาวัตเนี่ยไปตัดต้นไม้เนะยตอนนั้นเราก็ปกปไล่หญากันเต็มวัดเนะย เมื่อวันอุโบสถมาก็มาลงอุโบ ส, สถสภาคาบัดนั้นไม่รู้เรื่องที่ท่านสอนว่สภาคาบัดมันคือต้องอวัดเสมอกันรายยาก็รายลายยาเดีกา ย, ย, ายกันหมดวัดเออท่านไม่ยอไมไปทำอุโบสถช่างกรรมแล้วเนี่ยน่ะมันเป็นสภาคาบัดนี่จะต้องแสดงคาสภาคาบัดจะต้องสรงพระกอไปโน้ไ่แสดงอวัดมาจากวัดอยู่ที่เขาไม่เป็นสภาคาบัดเดียก็มาแสดงต่อต่อกันไป ทุกเนี่ยทุกวันนี่ครับอนสภาข้าบัตรนี้ในแม่ดูเรือกั น, นคนนั่นก็ไลยย่ยากคนนี้ก็ไลยย่ยากคนนั้นก็ใช้เงินใช้ทองคนนี้ก็ใช้เงินใช้ทองอ้าความบริสุทธิ์ที่ไหนครับมีมันไม่มีก็หาที่นั่งไม่ได้แหละดูไปด้ยพระท่านดูไปด้ยดูใจของเราเราเคยทํามาอย่างไรฮไอ้พวกเรามานี่กปฏิ ว, วันอาบัติเด็กๆหน่อยๆมันบุดบีดมาเหมือนกันเนี่ยครับอบุดบีดเหมือนกัน บางทีก็เดือบไปเกลือบไปนะครับเกลือบไปเหลือแต่คนที่ยังว่ามีความระ哀อ ย, อยู่สงสัยอยู่ระายอยู่ครับตัเ น, นี้ยถ้าใครที่ไม่มีมีความระยมันเสียหมดเลยทีเดียวครับอืเนี่ยเรื่องพอดีในีมันเสียเรื่องมันเสียเราก็ไม่รู้จักกันอย่างนี้อืนี่คือข้อปฏิบัติมันต้องเริ่มไปจากศีลครับจากพระวินยัยพอดีินัยทุกข้อนะครับในในในบโกวาดเนี่ย ในปู่วาดในผู้ปฏิขาเนี่ค่ะเอาไปอ่านดูเถอะครับไปอ่านบางสำนักก็วกว่างทิ้งเลยฉีกทิ้งเนี่ยไม่เอาขวางทางเขานี่นี่มันเป็นใไงอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบใจกันเรื่องพอดีใ น, ไ, นไม่ชอบมัสมแต่ชอบปฏิบัติมั่นเดินทางมันถูกต้องแต่เขาไม่ชอบเดินตามทางเดินนอกทางออกไป มันก็มันไม่ถูกจุดประสงค์เท่านั้นแหละครับนี่เรื่องสมาธิถ้าหากว่าของสกปรกโกรคระคั้นความเชื่ออะไรต่างๆในออกจากใจของเราแล้วมัมีความผิดอยู่สงสัยอยู่สมาธิมันจะเกิดที่ไหนอี่นี่สมาธิไม่เกิดความราบรื่นในจิตของเราไม่เป็นไกุ้งมิ่งพินพ์กุศลได้ปัญญามันจะเกิดตรงไหนครับนี่ดังนั้นพวกเราทางไานเราพยายามทําให้มันสมบูรณ ถึงจะมันไม่สมบูรณ์ก็พยายามถ้าก็ตัดเตือนกันเอ้ยพุทุชนอ้าวนานาจิตตังก็แตกเส้ามคีกันเ่าะหละใครคิดยังไงก็ทําไปอย่างนั้นเป็นนาณาจิตตังเอานานาจิตตังมาเป็นที่ปรึกษาเรานี่มาเป็นรากฐานเราอ่ะก็ไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเท่านั้นเนี่ยครับผมอยากทาผมก็ทําผมไม่อยากทําผมก็ไม่ตามเพราะอะไรมันนานาจิตตังนี่จะว่ายังไง มันแตกกันทั้งนั้นนะครับมันแยกกันทั้งนั้นเนะี่ยอันนี้จะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนี้อ่าเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเหมือนอาหารของเราเนี่ยครับเอาแต่เพราะมีนายอศีลเนีาา่ยมีสมาธิมีปัญญาไม่พอศีลถ้าเป็นอาหารของเราก็เรียวกว่ามีหวานอย่างเดียวครับมีแต่หวานแค่นั้นเนะ่ย เน่มันไม่มีมันครับมันไม่มีมีแต่หวานอืมถ้าเพิ่มสมาธิเข้ามาแล้วน่ะมันมีมันเลยครับมันมีหวานแล้วก็มีมันเนี่ยนี่มันดีไปอย่างนี้ถ้ามีมันแล้วก็หวานแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ครับมันต้องมีหอมอีกอ้าวสามอย่างนี่สมบูรณ์เลยครับจะเป็นอะไรจะเป็นอาหารภายนอกก็ตามเแอะมันสมบูรณ์แล้วมันมีหวานแล้วมันก็มีมันแล้วก็มีหอม นะมันก็ชวนในคนทานไปเตรียมที่มันเท่านั้นเนี่ยครับมันชวนไปแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็หวานก็ไม่มีครับมันก็ไม่มีครับหอมก็ไม่มีก็มีแต่เหม็นแต่ว่ามันหอมมันเหม็นของธมจรรันนี่นะนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามุ่งการกระทำของเรานี่ไม่ใช่ว่าเรามุ่งอย่างอื่นนะครับที่เรามาบวชเนี่ย